เราก็จะไม่เศร้ามองเราจะอยู่อย่างไรที่จะอยู่ด้วยการลดละกิเลสเราก็ต้องอยู่ด้วยการมีสติสติแปลว่าความละลึกได้อยู่ด้วยความรู้ตัวเนี่ยเนี่ยคืออยู่ด้วยสติอยู่ด้วยความละลึกได้ในแต่ละวันเนี่ยเราสามารถทาได้ถ้าเรามีสติมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอๆ เ, เนี่ยมันจะเกิด สัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมก็คือตัวปัญญานั่นเองสติระลึกได้การลืมสัมปชัญญะการหลงสตินี่กันลืมสัมปชัญญะนี่การหลงคือหลงอะไรหลงทาผิดหลงพูดผิดหลงคิดผิดบางครั้งเรามีสติ แต่ทไมเราจริงทาผิดเี่พราะเราขาดสัมปชัญญะขาดตัวปัญญาที่จะมารู้เท่าทันในสิ่งที่เรากระทบในบาปอุญคุณโทษอันไหนประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เราขาดปัญญาแต่ถ้าเรามีสติแล้วมีอยู่เสมอๆ เ, เนี่ยสติจะพัฒนานำเอาปัญญามาใช้แก้ปัญหา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 ที่กิเลสเรามากเพราะว่าเราเคยสังสมเอาไว้เยอะเคยเชื่อเคยทำตามไว้เยอะมันก็เคยชิ้นที่จะเกิดบ่อยๆไมเคยชิ้ที่จะเกิดกิเลอยู่เสมอๆเพราะเราเคยทำตามเขาไว้แต่ถ้าเราไม่ทำตามมันเกิดความโลกมาครั้งหนึ่งความโกรธครั้งหนึ่งเราบิสติรู้ทันบางทีมันดับไปเลย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 แขกก็ต้องติดใจมาบ่อย mm hmm. แล้วก็ไม่ค่อยอยากจะกลับบาทีมาค้างเดี๋ยวเนี่ยเวลาเราต้อนรับแขกแต่ถ้าหากว่ามีแขกมาเยือนถ้าเราไม่เต็มใจต้อนรับทำหน้าบึง่งปึงชาทำไมไม่สนใจเนี่ยโอ้แขกเขาไม่อยู่เดี๋ยวเขาก็จากไปแขกนี่คล้ายๆกิเลส น, นะนะสมมุตินะกอุปมา